หลวงปู่ล่าเคมะปะโตวัดบรรพตคีรีภูเจาก่อตำบลหนองสูงใต้อําเภอหนองสูงจังหวัดมกดาหารพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยห้าสิบสี่ถึงสองพันห้าร้อยสามสิบเก้า ตาฝ่ายบาปเป็นฝ่ายเว้นในเบื้องต้นอนัตตาฝ่ายบุญเป็นฝ่ายเจริญทำให้เกิดให้มีเมื่อสุดท้ายอนัตตาบุญก็ดีอนัตตาบาปก็ดีก็ส่งคืนหมด ไม่เข้าไปยึดถือสอดแทรกเอาเป็นเจ้าของส่วนกุศลผ ล, ลบุญพระอนาคามียังจัดเป็นกุศลผ ล, ลบุญอยู่เพราะติดอยู่ในบุญยังข้ามบุญไม่ได้เพราะบุญยังไม่เต็ม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 ก็ไม่มีในท่านอันเราเป็นมนุษย์ยากจะปลีกให้พ้นความทุกข์จะหลีกการด้วยวิธีไหนใจที่พร้อมด้วยสติและปัญญาพิจารณาอนัตตาธรรมทำใจให้แยบคายความหน่าย ความระอาปัญญายานก็ยิ่งสูงทวีขึ้นยิ่งพิจารณาละเอียดละออเท่าใดก็จะยิ่งลึกซึ้งลงไปก็จะเป็นการวางการละปล่อยวางสละไปในตัว ไม่ได้คว้าหาไปทางอื่นใจก็เป็นสักแต่ว่าใจผู้รู้ก็เป็นสักแต่ว่าผู้รู้อดีตอนาคตปัจจุบันก็โดยนัยเดียวกันใจก็ดี ธรรมะก็ดีไม่มีใครยึดถือเอาเป็นเจ้าของอวิชชาความโง่ตันหาความทะเยอทะยานวุ่นวายสมทยุทัยก็เรียกว่านิโรธะ ความดับตัณหาก็ว่าก็รู้แจ้งไปในตัวแล้วเพราะมีปัญญาเหนือความหลงธรรมะแท้ๆแล้วไม่มีมากหลากหลายหรอกที่ทรงอธิบายไว้หลายๆก็ทรง เทสนาบรรยายไว้แต่ละบุคคลแล้วเอามารวมไว้จนครบ 84,000 สพันพระธรรมขันยนลงมาในเอกจิตเอกธรรมกลมกลืนในปัจจุบันเสียแล้วก็สิ้นเรื่องปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมเป็นจิตเป็นธรรมอันว่างลึกซึ้ง มากไม่มีประมาณได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับพระปัญญาผู้รู้ชัดเห็นชัดแห่งพระอนัตตธรรมอนัตตธรรมเป็นธรรมอันละเอียดลึกซึ้งผู้พิจารณาแยกแยะไม่ละเอียดจะกลายเป็นความเห็นผิดไปอนัตตาฝ่ายบา เป็นฝ่ายทรงสอนให้เว้นอนัตตาฝ่ายบุญเป็นฝ่ายมักเป็นฝ่ายเจริญทำให้เกิดให้มีขึ้นและเป็นฝ่ายที่ทำให้แจ้งและก็เป็นมักเหตุมักผลเชื่อมโยงกันอยู่ในตัวด้วยส่วนอนัตตาฝ่ายพระอรหัตตผล เป็นอนัตตาธรรมที่ไม่เชื่อมโยงมาจากเหตุเพราะไม่มีอวิชชาตันหาอุปทานกรรมเข้าไปสอดแทรกเป็นเจ้าของเป็นธรรมโสดล้วนวนตัดสะพานในตัวแล้วใจว่างธรรมว่างพิเศษ ไม่มีอันใดเข้าไปยึดถือและหวงแขนแต่ก็ยากสำหรับท่านผู้ทรงสติปัญญาอ่อนเพราะกรรมและผลของกรรมติดตามวนเวียนไปไม่รู้จบสิน้นต่อเมื่อถึงอารหัตผลจึงพ้นจากทะเลวนทะเลเวียนกันขาดตอนเป็นพิเศษ โดยเฉพาะธรรมะล้วนๆเหนือโลกเหนือสังขารเหนืออัตตาเหนืออนัตตาลึ ก, กล้ำและเอียดละออไม่มีประมาณได้แล